อาหางในแปลว่าตัวเราขอให้ตัวเราเนี่ยจงมีความสุขเถิดให้ความสุขแก่ตัวเราเองมาขอให้ตัวเรามีความสุขอาหารสุขิตโตโหมิอาหางอเวโรโหมิขอให้เราจงอย่าได้มีเวนมีภัยสื่อขอให้ตัวเราเนี่ยอย่าได้มีเวนมีภัยเลยอาหารอพยั ประตูหมขอให้เราจงจะได้มีความลำบากกายลาบากใจเลยจะใช้ได้หรือจะใช้ภาษาไท ย, ไทยก็ได้นึกเอาว่าขอให้ตัวเราเนี่จงจะได้มีเวรมีภัยต่อใครอย่าให้มีความลาบากกายลาบากใจอย่าให้มีความคับแค้นอย่าให้มีความพกจมีความสุขรักษาตัวเรายิ่งขึ้นไป ดึกถึงตัวเราเองให้มากก่อนอย่างน้อยก็เป็นการปลูกฝังความรักตัวให้เกิดขึ้นให้ชัดเจนเพราดโดยกกปกติแล้วเนี่ยเรารักตัวเราทุกคนแต่ว่าความรักในตัวเราเนี่ยยังไม่ปรากฏชัดเจนขึ้นมาว่าเรารักตัวเราเองที่ตรงไหนรักอย่างไรเพราะว่าเรื่องของตัวเราเองเนี่ยอย่าว่าแต่ความไม่ดีเลยแม้แต่ความดีบางทีเราก็มองไม่เห็นว่าตัวเราเองมีดีอะไรบ้าง อย่าว่าแต่ความไม่ดีความไม่ ด, มมดียิ่งมองไม่เห็นใหญ่เพราะโดยปกติแล้วเราทุกคนเนี่ยมีเวลาศึกษาเรื่องตัวเราน้อยเช้าขึ้นมาเราก็ไปสนใจเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิธีปลูกฝังความรักตัวเองแม้แต่ทุกคนรักตัวเองถ้าถามว่าเรารักตัวเราที่ตรงไหนบางทีเราก็ตอบไม่ถูกไม่รู้รักตรงไหนตัวเราเนี่ยเรารักส่วนไหนในตัวเราเราก็ตอบไม่ถูก เพราะว่าเรื่องตัวเรานั้นเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้สนใจนั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนจะแผ่เมตตาไปนในบุคคลอื่นเนี่ยพระพุทธองค์จึงสอนให้เราแผ่เมตตาให้เปตัวเองก่อนก็คือปลูกความรักในตัวเราซะก่อนเมื่อปลูกความรักในตัวเราได้มั่นคงแล้วว่าเรารักอะไรในตัวเราแล้วจึงนึกถึงสัตว์อื่นว่าสัตว์อื่นเขาก็รักตัวเขาเหมือนกับเรารักเหมือนกันเพราะว่าตัวของใครใครก็รัก เมื่อต่างคนต่างรักกันอย่างเนี้ยสัตว์ทั้งหลายจึงไม่ควรเบียดเบียนกันไม่ควรก่อกรรมทำําเข็ญให้เกิดขึ้นซึ่งกันและกันเพราะว่าตัวของใครใครเขาก็รักเราสามารถปลูกฝังความรักตัวให้ชัดเจนแล้วแล้วก็น้อมไปสิ่บุคคลอื่นได้อย่างเนี้ยการที่จะไปโกรธใครหรือไปประฏิสต า, ายต่อใครนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นเมตตาธรรมนั้นต้องอาศัยการปฏิบัติไม่ใช่สักแต่ว่าพูดกันเฉย คำฝันเมตตาเนี่ยเราฟังกันมานานแล้วแต่ผู้ให้คำฝันเมตตานั้นอาจจะใจร้ายยุ่งวุ่นเรไรฉานก็มีอาจจะไม่ได้ใช่เมตตาเลยก็มีเพราะว่าเมตตาไม่ใช่อยู่ที่คำพูดไม่ใช่อยู่ที่คำฝันแต่ว่ายอยู่ที่การปฏิบัติว่าอบรมขึ้นหรือยังปลูกฝังให้มีอยู่ในสันดานเราแล้วหรือยังเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝุดฝนกันเองเพรดฉะนั้นวิธีที่เราจะต้องปลูกฝังลงไปเนี่ยท่านทั้งหลายจะต้อง สำรวจตัวเราก่อนว่าเรารักตัวเราที่ตรงไหนให้ชัดเจนขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นคนอื่นว่าเขาก็รักตัวเขาอย่างนึงเหมือนกัน mm hmm. เมื่อชีวิตของใครใครก็รักอย่างนี้ mm hmm. การเบียดเบียนกันจึงไม่สมควรที่จะให้เกิดขึ้นพ้เราทําได้อย่างนี้แล้วก็การที่จะแผ่เมตตาไปยังบุคคลอื่นเนี่ยไม่ยากนี่เป็นวิธีการที่ได้เคยอธิบายมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ในถึงภาคปฏิบัติจริงๆที่เราจะแผ่เจาะจงนั้นก็ต้องนึกถึงตัวเราอย่างนี้ก่อนปลูกฝังเมตตาทําให้เกิดขึ้นในตัวเราแล้วเราก็จะได้เอาตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าคนอื่นเขาก็มีความรักในตัวเขาอย่างนี้เหมือนกันแล้วเรากิงแผ่เมตตาธรรมของเราเนี่ยไปยังบุคคลอืน่นซึ่งบุคคลนั้นจะเป็นใครก็ได้ที่เป็นสัปพายะบุคคล คือคนที่จะทําให้เราเนี่ยแผ่ไปได้โดยรับความสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคเพราะถ้าหากว่าเราแผ่ผิดคนขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลบางครั้งก็เกิดความรักบางครั้งก็เกิดความโกรธเราก็ต้องแผ่ไปในบุคคลที่ปานกลางก็คือครูบาอาจารย์ที่มีแต่ให้คุณงามความดีที่เราจะต้องนึกถึงก่อนเป็นอันดับแรกแล้วต่อไปจึงค่อยนึกถึงบุคคล ต, ต่อไปที่เราคุ้นเคยกัน พอสมควรเพื่อที่จะได้ทำให้จิตของเราเนี่ยเต็นไปโดยสม่ำเสมอไม่มีอุปสรรคเกิดขึ้นในขณะที่แผ่เมตตานี่เป็นวิธีการที่งจะอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบในวันอาทิตย์ต่อไปเพราะว่าวันนี้เวลาของรายการก็พอสมควรแล้วตมาข อ, อยุติการบรรยายทีสุดที่มากไว้เช่งนี้ท่านสาธุชนทั้งหลาย การบรรยายพระวิสุทธิมรรคในวันอาทิตย์นี้จะได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเมตตาปรมวิหารธรรมต่อจากเมื่อครั้งก่อนเพราะว่าครั้งที่แล้วเราได้ศึกษากันถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะตั้งจิตแผ่เมตตาธรรมไปยังบุคคลที่เป็นศัตรูกับเรา แต่ก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเรานึกถึงบุคคลผู้เป็นศัตรูคือความขัดเคืองหรือความผูกพยาบาทสภาวะจิตอย่างนี้ทำให้เกิดความขุนมัวและไม่สามารถที่จะปลูกเมตตาธรรมลงไปใหญในสัมพัสค์ต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขว่าทำอย่างไรจิตนี้จึงจะไม่เกิดปฏิฆะ หรือไม่เกิดความผูกโกรธต่อบุคคลที่แม้จะเป็นศัตรูกับเราท่านทั้งหลายได้เข้าใจถึงเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งและถ้าหากว่าเราสามารถที่จะระงับความขัดเคืองต่างๆหรือความพยาบาทอาฆาตจองเวรในศัตรูได้แล้วก็ควรจะเริ่มลงมือปฏิบัติทีนี้ เมื่อเราจะเริ่มลงมือปฏิบัติด้วยการแผ่เมตตาโดยเจริญเมตตาพรม m วิหารธรรมนี้ปัญหามีว่าเราจะแผ่ให้ใครก่อนคือในระหว่างบุคคลสี่จำพวกเนี่ยคือหนึ่งตัวเราจำพวกหนึ่งแล้วก็สองคนที่เรารักหรือใครก็ตามที่เป็นที่รักของเราสาม คนที่กลางๆหมายถึงว่าไม่รักและไม่ชังคือคนที่เราไม่รู้จักกันสี่บุคคลที่เราเกลียดชังในสี่จำพวกเนี่ยเราจะแผ่เมตตาให้กับใครก่อนได้เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความรักแล้ว ไม่มีอะไรที่เราจะรักมากกว่ารักตัวเราเองและไม่มีใครที่จะรักบุคคลอื่นมากกว่ารักตนของตนเองซึ่งอันนี้เป็นความจริงอยู่เพราะฉะนั้นการแผ่เมตตานั้นประการแรกที่สุดก็คือจะต้องแผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเองก่อนที่แผ่ให้แก่ตัวเราเองก่อนก็เพื่อที่จะได้หยิบยกเอาตัวเราเองนี้ขึ้นมาเป็นที่ตั้งหรือเป็นพยาน ในการที่เราจะปลูกเมตตาธรรมไปสู่บุคคลอื่นการที่เรายกตัวเองเป็นที่ตั้งเพื่อที่จะแผ่เมตตาธรรมไปยังบุคคลอื่นนั้นย่อมเป็นความสะดวกเพราะเมื่อตนเป็นที่รักของตนดังนี้แล้วตนของบุคคลอื่นหรือชีวิตของใครใครเขาก็รักเพราะฉะนั้นการจะปลูกเมตตาธรรมไปในบุคคลอื่นก็ย่อมจะสะดวกบุคคลที่สองก็คือคนที่เรารัก ที่เราจะต้องแผ่ให้คนที่เรารักก่อนนั้นก็เพราะว่าเมตา น, นั้นปลูกลงไปง่ายในคนที่เรารักแต่คาว่ารักดังกล่าวนี่หมายถึงคนที่เรามีความนิยมชมชื่นอยู่ไม่ใช่หมายถึงความรักที่เป็นไปในทางชู้สาวหรือทางการาคะแต่หมายถึงบุคคลที่เรามีความนิยมชมชื่นมีความปรารถนาดีอยู่ในบุคคลเหล่านี้ จากนั้นจึงแผ่ไปยังคนกลางๆคนกลางๆ ก, ก็คือแม้แต่ว่าคนนั้นเราจะไม่รู้จักกันเลยก็ตามเราก็จะต้องแผ่เมตตาไปให้จนกระทั่งถึงคนสุดท้ายคือคนที่เราเกลียดชงังหรือบุคคลที่เป็นศัตรูมีเวรต่อการกับเราเราก็ต้องแผ่เมตตาไปให้เนี่ยในบุคคลสี่จำพวกนี้เราจะต้องแผ่ให้ตามลาดับ วิธีที่เราจะแผ่ไปคําว่าแผ่ไปเนี่ยหมายถึงกระทําบุคคลเหล่านั้นให้เป็นอารมณ์ภายในจิตในทางปฏิบัตินั้นก็หมายถึงว่าให้เราเนี่ยนึกถึงคนคนนั้นอยู่เสมอเสมอบ่อยๆ อ, อย่างนี้เรียกว่าแผ่คาว่าแผ่นั้นนะหมายถึงว่าเอาบุคคลที่เราจะแผ่เมตตาไปให้เนี่ยมาเป็นอารมณ์เก่จกิตก็คือจะต้องคิดถึงคนคนนั้นอยู่เสมอเช่นอย่างเราจะคิดถึง คนที่เรารักสักคนหนึ่งเช่นคนนั้นชื่อแดงเราก็อาจจะนึกถึงคนที่ชื่อแดงบ่อยๆว่าแดงอเวราโหนตู่อภยาประชาโหนตู่อมีคาโหนตูสุขีอัตตานังปริหารตุอย่างเนี้ยก็คือเอาคนคนนั้นมาเป็นอารมณ์เกิจิตของเราแล้วเราก็แผ่ไปว่าจงอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยจงอย่าได้เบียดเบียนกันจงอย่าได้มีความคับแค้นใจเลย จึงมีความสุขรักษาตนยิ่ ง, งขึ้นไปเถิดความรู้สึกที่เราปลูกฝังไปในบุคคลเหล่านี้อย่างนั้นเรียกว่าแผ่เมตตาพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้เป็นภาษ า, ษาธรรมะเราจะต้องเข้าใจในด้านของการปฏิบัติว่าทางปฏิบัตินั้นเราจะทำอย่างไรก็คือจะต้องเอาสัตว์เหล่านี้มาเป็นอารมณ์ท่านใช้คาว่าสัตว์สัตว์ในที่นี้หมายถึงสัตว์ตวะซึ่งไม่ใช่คาตำ่าเหมือนกับ ที่เราเข้าใจว่าหมายถึงเดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งความจริงคำว่าสัตว์เนี่ยหมายถึงผู้ที่ยังคล่องอยู่ยังเกาะเกี่ยวอยู่กับเบญจขานบ้างยังเกาะเกี่ยวอยู่กับภพบภูมิต่างๆบ้างท่านก็เรียกกันว่าสัตว์ทั้งนั้นแม้แต่เทวดาพรหมก็เรียกว่าสัตว์ฉะนั้นการแผ่เมตตาไปย่งสรรพสัตว์ก็หมายถึงไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทใดๆจะเป็นสัตว์ในอบายภูมิคือสัตว์นรก เปรตอสุรกายดเดริชานมนุษย์เทวดาหรือพรหมเราก็ต้องแผ่เมตตาไปในสรรพสัตว์เหล่านี้อยู่เสมอเป็นประจำการกระทำสัตว์เหล่านี้ให้เป็นอารมณ์แล้วก็ปลูกฝังเมตตาลงไปในสรรพสัตว์อย่างเนี้ยเรียกว่าเจริญเมตตาธรรมซึ่งลักษณะการปฏิบัติดังกล่าวนี้ท่านทั้งหลายทาได้ในที่ทุกสถาน แม้เราจะนั่งรถลงเรือหรือจะอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเช่นอย่างโคนไม้ป่าเขาหรือในที่ประชุมเราก็สามารถนั่งแผ่เมตตาได้หรือแม้แต่เรากําลังทำงานอยู่เราก็แผ่เมตตาได้ก่อการแผ่เมตตานี้เพียงแต่ว่าสมรวมจิตให้เป็นสมาธิโดยเอาศักที่เราจะแผ่ไปนั้นมาเป็นอารมณ์ คล Hola ้ายๆกันกับเราจะเพ่งกรสินอย่างเราจะเพ่งปฐวีกสินเนี่ยเราก็ต้องเอาดินนั้นเป็นอารมณ์ถ้าเราจะเพ่งอาโปกรสินเราก็ต้องเอาน้ํามาเป็นอารมณ์ถ้าเราจะเพ่งเตโชกสินก็ต้องเอาไฟมาเป็นอารมณ์ถ้าเราจะเพ่งวายกสินก็ต้องเอาลมมาเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นการแผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ก็ต้องเอาสรรพสัตว์เหล่านั้นแหละมาเป็นอารมณ์อีกทีหนึ่งแล้วเราจึงแผ่เมตตาไป เนี่เป็นวิธีที่ปฏิบัติไม่ยากท่านทั้งหลายที่สนใจก็สามารถที่จะปฏิบัติในวิธีการดังกล่าวนี่ได้ก็ยังมีการแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์เนี่ยท่านบอกว่ามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่เราจะต้องปรับปรุงจิตใจของเราคือจิตของเราเนี่ย จะต้องมีความสม่ำเสมอจิตที่มีความสม่ำเสมอนั่นก็หมายถึงว่าจิตนี้ไม่เกิดอคติในสรรพสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอดังกล่าวเนี่ยคือมีความเสมอกันทั้งหมดเช่นอย่างในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกพระเทวทัพเนี่ยจองล้างจองฐานอยู่ จนกระทั่งพระเทวทัตต้องรับกรรมด้วยการถูกแผ่นดินสูงในสมัยนั้นมีผู้ทูลถามว่าจิตของพระองค์ที่มีต่อพระเทวทัตนั้นเป็นอย่างไรทางทั้งที่พระเทวทัตนี้ได้เป็นบุคคลที่จองล้างจองผลานพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโดยตลอดเป็นผู้ประทุษรายพระพุทธองค์อยู่ฝ่ายเดียวตลอดมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่า พระองค์มีจิตต่อพระราหุลเช่นใดก็คงมีจิตต่อพระเทวทัตเช่นนั้นหมายความว่าระหว่างพระราหุลซึ่งเป็นราชโอรสกับพระเทวทัตซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายว่าพระพุทธองค์นั้นมีพระทัยต่อพระเทวทัตกับพระราหุลเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรไม่แตกต่างกันเลยบอกมีพระทัยสม่ำเสมอกันระหว่างราหุลกับเทวทัต ไม่ใช่เกลียดชังเทวทัตไม่ใช่ปทุสร้ายต่อเทวทัตแม้เทวทัตเนี่ยจะปัทุษร้ายต่อพระพุทธองค์ทั้งกายวาจาใจสามอย่างครบหมดอย่างไรก็ตามพระองค์ไม่มีปัทุสร้ายต่อเทวทัตโดยน้ําพระไทยดังกล่าวเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้มีจิตเสมอในบาลีใช้คําว่าเป็นลักษณะของสีมะสัมภเพศคำว่าสีมะสัมภเพศในที่นี้หมายถึงว่า ผู้ที่มีจิตใจต่อสรรพสัตว์เนี่ยเป็นไปโดยสม่ำเสมอไม่เกิดอคติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเรื่องนี้พระอธิกถาจารย์ท่านยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยสี่ชีวิตมีคนอยู่สี่คนคือตัวเราหนึ่งคนที่เรารักหนึ่งคนที่เราไม่รักไม่ชงังคือ ก, กลางๆ1งหนึ่ง กับบุคคลผู้เป็นศัตรูหนึ่งเราอยู่บ้านเดียวกันสี่คนคื่อนมาหนึ่งมีโจรมาปร่นจรก็จะมากล่าวคำขอกับเราซึ่งเป็นเจ้าของบ้านว่าขอคนสักคนหนึ่งเราถามว่าจะเอาคนของเราไปทำไมจรบอกว่าจะเอาไปตัดหัวเพื่อที่จะเอาเลือดเนี่ยไปเส้นสวงบูชาต่อเทพเจ้าจะมาขอชีวิตหนึ่งละเพื่อไปตัดหัว เราซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยจะตัดสินใจให้ใครกับโจรผู้นี้ไปท่านบอกถ้าหากว่าเราตัดสินใจให้ใครคนใดคนหนึ่งในสามคนนี้ไปก็ดีหรือไม่ยอมให้คนทั้งสามคนเนี่ยตายโดยเรายอมสละชีวิตแทนคนทั้งสามคนก็ดีลักษณะดังกล่าวนี้ยังไม่จัดว่าเป็นสีมะสั ม, มเพทคือยังใช้ไม่ได้ทั้งสองอย่าง แม้เราจะให้ศัตรูส่งศัตรูให้กับโจรเพราะเป็นคนที่เราชังเพื่อให้โจรไปตัดศรีรษะเอาเลือดไปบูชาเทพเจ้าถ้าเราตัดสินใจส่งใครคนใดคนหนึ่งในสามคนนี้ให้กับโจรจิตเช่นนั้นก็เรียกว่าประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นแต่ถ้าเราจะสละชีวิตของตัวเราให้กับโจรเพื่อรักษาคนทั้งสามคนไว้ก็เป็นการกระทำความดี เป็นความปรารถนาดีต่อคนทั้งสามเท่านั้นแต่ไม่จะเป็นสีมะส ม, มะเภสแม้จิตดังกล่าวอย่างนี้ก็ยังใช่ไม่ได้ขนาดว่าสละชีวิตเพื่อคนอื่นก็ยังใช่ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าจิตมีความรู้สึกว่าในในสีชีวิตเนี่ยไม่ควรให้แก่โจรเลยแม้แต่คนเดียวนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นจิตที่ใช่ได้จัดว่าเป็นสีมะส ม, มะเวส ถ้ายังคิดว่าจะให้ใครในคนใดคนหนึ่งเก่โจรไปก็ดีหรือแม้ตัวเองจะสดะชีวิตเพื่อบุคคลทั้งสามนี้ก็ดีจิตเช่นนั้นก็ยังไม่จักว่าเป็นสีมะสัมภเวสเนี่ยปัญหาเช่นนี้จึงมีว่าเราจะทำจิตอย่างไรในบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นไปโดยสม่าเสมอไม่เกิดอคติอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะทำได้ไหม เราจะสังเกตได้ว่าแม้แต่เพียงทำสีมะสั ม, มะเพทนี้ซึ่งเป็นเบื้องต้นแห่งการจะเจริญเมตตาธรรมเนี่ยก็เป็นกา ร, รสบัตที่ยากที่จะทำจิตให้สม่ำเสมอเนี่ยยากบางครั้งเราอาจจะเกิดความเสียสละอย่างรุนแรงว่าเราสามารถสละชีวิตของเราเนี่ยเพื่อผู้อื่นได้ก็ตามแต่ลักษณะดังกล่าวนั้นก็ยังหาได้เป็นจิตที่พร้อมแล้วในการที่จะเจริญเมตตาธรรมไม่ ยังยังไม่จัดเป็นสีมะสั ม, มเอตฉะนั้นจึงจะต้องปรับปรุงจิตของเราเนี่ยให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอกันก็คือแม้แต่ตัวเราแม้แต่คนที่เรารักคนที่ปานกลางหรือคนที่เราชังในสี่ชีวิตนี้จะต้องไม่มีอคติอย่างใดอย่างหนึง่งว่าเราทั้งสี่คนนี้ไม่ควรที่จะตายทั้งสี่คนหรือไม่ควรที่จะถูกโจร น, นำไปตัดศีรษะทั้งสี่คน นั่นแหะจึงจะเป็นสีมะสัมภเวส เ, เมื่อเป็นสีมะสั ม, มเพทดังกล่าวนี้แล้วขั้นต่อไปจึงจะปลูกเมตตาธรรมไปในบุคคลอื่นการปลูกเมตตาธรรมไปกับบุคคลอื่นเนี่ยก็คือทำบุคคลอื่นนี้ให้เป็นอารมณ์นั่นเองอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องในการเจริญเมตตาธรรม หรือเมตตาพรหมวิหารธรรมข้อเนีเ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าในการใดประโยคีเห็นความแตกต่างในคนสี่จำพวกคือในตนหนึ่งในคนที่รักหนึ่งในคนที่กลางกลางหนึ่งในคนที่ชัางหนึ่ง ท่านยอมเรียกว่าเป็นแต่เพียงมีความปรารถนาดีแกสัตว์ทั้งหลายแต่ไม่ใช่เป็นผู้ที่ทำสีมะสั ม, มเพสท่านไม่เรียกว่าเป็นผู้ได้ความรักใกล้ด้วยเมตตาหรือไม่เรียกว่าเป็นผู้มีโกศลผู้มีโกศลคำว่าโกศลสับเนี่ยแปลว่า ผู้มีความฉลาดไม่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดเพราะการที่จะให้ชีวิตของคนอื่นไปตายก็ดีหรือตัวเองจะตายแทนคนอื่นก็ดีวิธีการดังกล่าวนั้นไม่ใช่วิธีการของผู้ที่มีความฉลาดและไม่ใช่เป็นบุคคลผู้ที่มีจิตเป็นสีมะสัมภเวสหรือกระทำสีมะสั ม, มะเวทแต่ในการใด ที่คนทั้ง 4, สี่เป็นแดนอันเสมอเป็นแดนอันภิกษุทาลายแล้วและเธอย่อมแผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงแม้กระทั่งเทวโลกด้วยเมตตาภิกษุนั้นมีแดนอันใครรู้ด้วยไม่ได้แล้วเป็นผู้วิเศษด้วยภาวนามากกว่ารูปก่อนคือถ้าภิกษุใด สามารถทำลายแดนในบุคคลสี่จำพวกก็คือความไม่ต่างกันในบุคคลสี่จำพวกสี่ชีวิตนี้แล้วมีเมตตาไปยังสรรพสัตว์ทุกจำพวกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดามารตรงบุคคล น, นั้นแหละจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่วิเศษด้วยภาวนาด้วยเมตตาภาวนาเนี่ยเป็นเป็นพุทธวจนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ตราสไว้ว่าเราจะต้องเริ่มต้นด้วยวิธีการอย่างนี้เนี่ยวิธีนี้เราจะศึกษาได้ว่าในชีวิตของบุคคลเาาเนี่ยย่อมปฏิบัติได้ยากจะมีอยู่ก็บุคคลผู้ที่มีอัตชาสัยแห่งสัมมาสัมโพธิญาณถ้าทนทั้งหลายได้เคยฟังเทศมหาชาติกว่าดีหรือได้ศึกษาใน เวสสันดรชาดกกด็ดีเราจะมีความรู้สึกสะดุดใจอยู่ตอนหนึ่งก็อตอนที่พระพุทธองค์เนี่ยในสมัยที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยได้ประทานการหาชาลีให้แก่ชูชกแล้วก็ต่ชูชกเคี่ยนต่อหน้าถึงกระนั้นก็ยังไม่ห้ามปรามชูชกว่าอย่าเคี่ยนลูกเลยยังทอบพระเนตรเฉยได้ทั้งๆ ท, ที่ชูชกเนี่ย เพียนลูกทั้งสองอยู่บางคนที่ไม่เข้าใจอาจจะมีความรู้สึกว่าการบำเพ็ญบา ร, รมีดังกล่าวด้วยอุตตปริจาโคคือการบริจาคลูกให้เป็นทานในลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นความเห็นแก่ตัวเหลือกเกินเพราะลูกสองคนตาดำๆยังน่ารักน่าเอ็นดูตัดใจให้คนอื่นได้และคนอื่นก็ไม่ใช่อภไปอย่างดีไปเรียงดีเคียนตีต่อหน้า ก็ยังไม่ห้ามปรามไม่ช่วยเหลือลูกลักษณะดังกล่าวเนี่ยเราอาจจะลงโทษพระเวสสันดรว่าเป็นคนใจดำอำมหิตใช้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราได้ศึกษาถึงส่วนลึกของพระเวสสันดรแล้วเราจะเห็นได้ว่าพระเวสสันดรเนี่ยมีจิตสีมะสั ม, มเอตไม่เดคิดว่าคนนี้เป็นลูกหรือคนนั้นเป็นใครแต่ที่ทำไปเช่นนี้มุ่งที่จะช่วยเหลือผลสัตว์หรือสัต เป็นที่ตั้งมุ่งสันทัศน์เป็นที่ตั้งจริงลูกสองคนเนี่ยถูกทารุณกรรมจากประชุชกแต่ผลที่ได้จากสุตตะปริจาโคซึ่งเป็นทานบา ร, รมีขั้นปรมัตถบา ร, รมีนี้เองทําให้พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณและการตรัสรู้เป็นสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นก็ไม่ใช่เพื่อพระองค์เองและไม่ใช่เพื่อราชโอรส เท่านั้นแต่เพื่อสรรพสัตว์ทุกขจำพวกเราจะเห็นได้ว่าคนที่ยอมสละความทุกข์อ้าวยอมสลาความสุขโดยยอมรับทุกเพียงไม่กี่ชีวิตเนี่ยได้เป็นผลสะท้อนมาแก่มาสู่มนุษยชาติเนี่ยจํานวนกี่ร้อยล้านชีวิตคือจากการตระสลูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วและได้ประกาศศีลธรรมแก่โลกมนุษย์เนี่ยได้เป็นประโยชน์แก่โลกมากแค่ไหน ที่มนุษย์ทั้งหลายได้ดวงตาเห็นธรรมมีความสว่างสวและปฏิบัติตนไปสู่ความ้นทุกข์เนี่ยเป็นจำนวนมากนับไม่ถ้วนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 2,500 กว่าปีเนี่ยมีบุคคลได้รับประโยชน์จากธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้เทศนาไว้จำนวนเท่าไหร่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่โลกมนุษย์นั้นมีมากมายอย่างมหาศาลปัจจุบันนี้ทีอีกที่ ไม่สามารถจะสร้างประโยชน์ให้แก่ชนกลุ่มใหญ่ได้ก็เพราะเราเห็นแก่บุคคลไม่กี่ชีวิตเห็นแก่คนไม่กี่ชีวิตผลสุดท้ายก็ทำประโยชน์แก่คนส่วนรวมอย่างกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยไม่สำเร็จเพราะเรามาติดอยู่ในชีวิตของคนไม่กี่ชีวิตเห็นแก่ลูกบ้างเห็นแก่คนนั้นคนนี้บ้างผลสุดท้ายก็เลยทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นไม่ได้บุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นได้จะต้องมีจิตอย่างนี้ เพราะฉะนั้นแม้เราจะแผ่เมตตาธรรมเนี่ยก็ควรฝึกจิตให้เป็นสีมะสัมภเวสเขาจะเป็นใครก็ตามก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเราทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนยากจนข้นแค้นหรือคนมั่งมีหรือจะเป็นคนที่เรารักเราชังคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามก็เป็นสรปรสัตว์คือเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเราเราจะต้องแผ่เมตตาไปให้บุคคลเหล่านี้โดยทั่วถึงกัน ตีนี้การแผ่เมตตาไปในบุคคลต่างๆเช่นเนี่ยาการแผ่เมตตานั้นก็มีอยู่ทั้งหมดสองประเภทประเภทหนึ่งแผ่ไปโดยไม่เจาะจงกับประเภทหนึ่งแผ่ไปโดยเจาะจงประเภทที่แผ่ไปโดยไม่เจาะจงนีเ้เรียกว่าอนุทิสสะปรณา แผ่ไปโดยเจาะจงเรียกว่าโอทิสารณาเช่นอย่างเราแผ่ไปโดยไม่เจาะจงในสรรพสัตว์นั่นก็ขึ้นสัพเสพสตตาอเวราหุนตุอัพยาปชาหนตุอณีคาหนตุสุขีอัตตานังปริหรันตุเนี่ยโดยตั้งจิตเนี่ยแผ่ไปว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงอย่าได้มีความคับแค้นใจเลยจงมีความสุขรักษาตน ย, ยิ่งขึ้นไปเถิดเราตั้งจิตแผ่ไปถึงสัพเพสตตาเช่นนี้ยคาว่าสัพเพสตตาแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคําว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรวมสัตว์ทั้งหมดสาสิบเอดภูมิตั้งแต่อบายสัตว์ไปถึงพรหมโลกสาสเอ็ดภูมินี่เรียกว่าสัพเพสตตาหรือบางท่านก็ ใช้คําว่าสัพเทปานาปานาปานะเนี่ยก็คืออาณนาะคือสัตว์ที่มีปราณหรือมีชีวิตมีลมหายใจเข้าหายใจออกทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าสัตว์เหล่าใดก็ตามที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสัพเทปานาใช้คําว่าสัพเพปานาอเวราหนตุอัพยาปชาหนตุอณีคาหนตุสุขีอัตตานังปริฮารันตุก็ได้ หรือใช้คําว่าสัพเพภูตาซึ่งแปลว่าพูดทั้งหลายทั้งปวงภูตะสัพเนียก็หมายถึงสัตว์ที่มีรูปร่างออหรือมีขันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยยิ่งต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยเดวะสัพเพภูตาอเวราโหนตุอัพยาปชาโหนตุอณิคาโหนตุสุขีอัตานังปริหารตุหรือใช้คําว่าสัพเพปุคลาแปลว่าบุคคลทั้งหลายทั้งปวง แล้วก็อเวราหนตุอัพยาประชาหนตุอณีคาหนตุสุขีอัตตานังปริหารตุหรือสเพอัตตภาวะปริยาปันาอเวราหนตุอัพยาประชาหนตุอณีคาหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุอย่างนี้เรียกว่าแผ่ไปโดยไม่เจาะจงเป็นอนุทิสังฆนาเราแผ่เมตตาธรรมไปในสัมพสรัตว์เหล่านี้โดยไม่เจาะจงทีนี้ถ้าแผ่โดยเจาะจงแผ่โดยเจาะจงเ oh นี่ยเช่น สัพพาอิทธิโยคําว่าอิทธิโยสัพพาอิทธิโยแปลว่าหญิงทั้งหลายทั้งปวงหรือสัตว์ตัวเมียทั้งหลายทั้งปวงคําว่าอิทธีหรืออิทธิเนี่ยหมายถึงอิทธีพราวรูปก็คือถ้าเป็นมนุษย์ก็หมายถึงหญิงถ้าเป็นสัตว์ก็หมายถึงสัตว์ตัวเมียสัพพาอิทธิโยอเวราหตุอัพยาปชาหตุอณีคาหวตุสุขีอัตตานังปริฮารันตุ เป็นการเจาะจงหวัดแผลไปให้ผู้หญิงเนี่ยเรียกว่าสัพพาอิทยโยนี้สัพเพปุริสาสัพเพปุริสาก็แปลว่าสั์ตัวผู้หรือผู้ชายทั้งหลายทั้งปวงอเวราหตุอัพยาปชาหนตุอณีคาหุนตุสุขีอัตตานังปริหารตุอันนี้เป็นการแผ่ไปเฉพาะผู้ชายก็เป็นการเจาะจงอีกเหมือนกัน หรือแผลว่าสัพเพอริยาซึ่งแปลว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายทั้งปวงก็เจาะจงเฉพาะพระอริยเจ้าอีกหรือสัพเทอนาริยาบุคคลที่ไม่ใช่พระอริยเจ้าคือปุถุชนทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็เป็นการมุ่งเจาะจงไปว่าเมตตาที่แผ่ไปเนี่ยเราแผ่ไปให้ก่บุคคลที่เป็นปุถุชนสัพเพอนริยาถ้าแผ่สัพเพเทวาก็แปลว่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงก็เจาะจงแผ่ให้เฉพาะเทวดา แต่สัพเพมนุษยก็มุ่งแต่เฉพาะมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง